สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านค่ะวันนี้กลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมา วันนี้บีขออนุญาตเริ่มเรื่องจากพี่ตีค่ะพี่ตีส่งเข้ามาทางาแฟนเพจพระเจอผีบน a c e บุ o k นะคะบอกว่าสวัสดีครับติดตามรับฟังมานานขออนุญาตฝากเรื่องเล่านะครับหากอ่านแล้วและเรื่องนี้ยังมีความดีให้คนฟังได้แง่คิดก็ขออุทิศให้กับดวงวิญญาณของหลวงพ่อเนรเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของพี่ตีเอง พี่ตีบอกว่าก่อนอื่นต้องกราบขออภัยดวงวิญญาณแล้วก็ขอเล่าให้เห็นให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ของคนที่ได้ยินได้ฟังย้อนกลับไปตอนที่พี่ตีอายุ16ปีนะคะได้อาศัยอยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งในเขตทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามประส า, าวัยรุ่นล่ะค่ะที่ชื่นชอบพวกเรื่องรางของขลัง ในหมู่บ้านที่พี่ตีอาศัยอยู่ตอนนั้นมีอาจารย์คาราวาสคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อลุงนอนลุงนอนเนี่ยเป็นอาจารย์คาราวาสที่ช่วยเหลือชาวบ้านไล่ผีพ่นตาแดงรักษาคุณใสแล้วก็สเสน่ยาแฝดด้วยความอยากได้ของดีนะคะก็ได้เข้าไปคลุกคลีช่วยลุงนอนทำงานบ้างคุยเล่นบ้างคุณลุงเนี่ยแกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อเนนค่ะ หลวงพ่อเนนเนี่ยท่านอายุ70กว่าปีแล้วนะบวชเป็นเนนค่ะคือก่อนบวชก้มีเมียมีลูกแล้วแต่ว่าไม่ได้บวชพระบวชเป็นเนนแทนแล้วก็ไม่ยอมยัติเป็นพระแล้วก็ให้เมียเนี่ยบวชเป็นชีพราหมณ์ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าขอให้ฟังเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงก่อนละกันทีนี้เบื้องหลังของหลวงพ่อเนนเนี่ยคือเขาชอบแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารเช่นนั่งในกระทะน้ํามันบ้างไล่ผีบ้างรักษาคุณใส่บ้าง แต่ว่าการกระทํานี้มันก็คล้ายกับคล้ายกับว่าเป็นการหลอกลวงคนอื่นนะคะคือสมมุติว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีไปมีเมียน้อยภรรยาก็จะมาหาหลวงพ่อเนรให้หลวงพ่อเนรช่วยให้สามีกลับมาหลวงพ่อเนนก็ให้พี่ตีไปเอาขนขนที่มันเป็นขนของต่ํานี่แหละนะคะไปให้หลวงพ่อเนนทําหุ่น ในการทำหุ่นเมื่อปั้นหุ่นเสร็จแล้วแกก็จะเอาเข็มทิมตรงอวัยวะเพศของหุ่นผู้ชายคนนั้นแต่ว่าด้วยวิชาของหลวงพ่อเนรค่ะอวัยวะเพศของสามีผู้หญิงคนนั้นก็บวมปวดทุรนทุรายหลวงพ่อเนนก็ให้ภรรยาเนี่ยไปบอกกับสามีว่าสามีโดนเมียน้อยทำของใส่ทำทีว่าภรรยาช่วยเหลือสามีได้ ท, ทั้งทางที่ภรรยาเองนี่แหละค่ะเป็นคนทำของใส่แต่ว่าไปโทษว่าเมียน้อยเป็นคนทำเพื่อให้สามีเข้าใจผิด แล้วก็กลับมาหาตนเมื่อสามีเชื่อก็เลิกกันกับเมียน้อยและภรรยาก็พามารักษากับหลวงพ่อเนนหลวงพ่อเนนก็ทำทีเป็นการรักษารถน้ำมนให้พอคนพวกนั้นกลับไปแกก็แอบถอนเข็มที่ปักที่อวัยวะเพศออกอาการปวดก็หายแกก็ทำแบบนี้หลายต่อหลายคู่ค่ะทามานานเป็น 10, 10ปีจนกระทั่งวันหนึ่งคุณผู้ฟังมันเหมือนกับว่าเวรกรรมจะตามทัน แกก็มีอาการป่วยเหมือนกันคือมีอาการอาวัยวะเพศแกบวมรักษาไม่หายเจ็บปวดทรมานเหมือนกันกับคนที่แกเคยทําแกทรมานอยู่แบบนี้ค่ะจนวันหนึ่งไปช่วยงานที่บ้านลุงนอนวันนั้นจําได้ว่าประมาณสักบ่ายสองโมงตอนนั้นกําลังจะทานข้าวกันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคือโทรศัพท์บ้านมันจะมีสายโทรศัพท์แล้วก็สายไฟเพื่อต่อไปในตัวเครื่องโทรศัพท์ดังปุ๊บลุงนอนก็ไปรับปับ๊บ ปรากฏค่ะว่ามีแม่ชีโทรมาบอกบอกว่าหลวงพ่อเนร เ, เนี่ยมรณภาพแล้วให้รีบมารดน้ำศพลุงนอนก็ตอบกลับไปบอกขอกินข้าวก่อนแล้วจะรีบไปตักข้าวกินไม่ถึงสองคำค่ะก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกทีนี้ลุงนอนเนี่ยแกก็ไปรับนะคะก็ได้ยินเสียงแม่ชีร้องไห้แล้วก็ถามว่ า, าถามยังไงยังไงก็ไม่ตอบนะคะก็เลยวางหูไปก็นึกว่าแม่ชีเผลอ ก, กดโทรมา อีกไม่ถึง5นาทีค่ะก็โทรมาอีกรอบนึงได้ยินเสียงเดิมคุณผู้ฟังคือเสียงแม่ชีเนี่ยร้องไห้ค่ะแล้วก็วางสายแล้วก็รับก็วางก็รับก็วางอยู่แบบนี้ประมาณ 3- าสี่รอบจนลุงนอนกดําคาญก็เลยถอดสายไฟออกแล้วก็สายสัญญาณโทรศัพท์ออกเหลือเพียงแค่เครื่องเปล่าทีนี้ก็เดินกลับมาทานข้าวอีกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรที่ไหนได้ค่ะทานข้าวไม่ถึงสองคำเฮ้ยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคือมันดังจนตกใจกันทั้งวงข้าวอ่ะค่ะ ภรยาลุงนอนก็อยู่ใกล้สุดก็ตัดสินใจรับได้ยินเสียงแม่ชีร้องไห้ดังกล้องขึ้นมาทันทีลุงนอนแกก็เลยรีบบอกให้ไปสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบไปวัดของหลวงพ่อเนนใช้เวลาประมาณ40นาทีกว่าจะถึงก็เกือบ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะซึ่งพอรถจอดปุ๊บก็เห็นชาวบ้านกำลังเก็บข้าวเก็บของเก็บกระป๋งเก็บขันสาหรับรถน้าศพพอดีก็เลยรีบเข้าไปทันรถน้ำศพคนสุดท้าย พอรถน้ำศพเสร็จแม่ชีบอกว่ารอตั้งนานทำไมยังมาไม่ถึงสักทีลุงนอนก็เลยถามแม่ชีว่าเนี่ยแม่ชีเนี่ยโทรไปหาลุงนอนตั้ง4ี่ห้าสายทำไมโทรไปแล้วไม่พูดแม่ชีก็ทำหน้างงแล้วบอกว่าโทรไปแค่สายเดียวคุยกันดูเรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งโทรศัพท์วางไว้ในห้องไม่มีใครไปเล่นหรอกแล้วเสียงที่ได้ยินคืออะไร การใช้วิชาทำร้ายคนอื่นนะคะคุณผู้ฟังเพื่อประโยชน์ของตนหรือทำอะไรไว้กับใครสิ่งนั้นย่อมย้อนกลับมาสู่ตัวเรานะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่ตี๋นะคะแฟนเพจพระเจอผีส่งเข้ามาให้เราได้พูดคุยให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันทาง Facebook แฟนเพจนะคะทีนี้มาต่อกันอีกเรื่องนึงค่ะถูกส่งเข้ามาทาง Facebook เช่นกันนะคะโดยใช้ชื่อนะคะว่าพี่ถาละกันเนาะ พี่ถาบอกว่ามีเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ของพี่ถาคือท่านหย่าร้างกันแต่ว่าตัวของคุณพ่อเ น, นี่ยประกอบอาชีพรับเหม า, าของเก่าเช่นรับเหม า, าเกี่ยวกับพวกโรงงานอะไรประมาณนี้นะคะวันนั้นเป็นวันที่8กันยายนค่ะคุณพ่อได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เสียชีวิตคาที่ซึ่งเวลาประมาณ7โมงกว่าซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะ ซึ่งพอพี่าได้ทราบข่าวว่าคุณพ่อเสียชีวิตในอุบัติเหตุเนี่ยก็เสียใจอย่างมากเลยนะคะทางบีเองก็ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังกลับไปยังพี่าด้วยนะคะที่เสียคนที่เรารักที่สุดนะคะ วันที่เอาศพคุณพ่อกลับมาบ้านที่สุพรรณคือคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ยะโสธรค่ะคือการเดินทางนี่กว่าจะเดินทางมาถึงก็มีการเตรียมตัวเตรียมสถานที่จัดงานศพที่วัดก็มีเสียงนกแสกเนี่ยคือร้องเสียงดังมากหมาเหมือนี่คือหอนหน่ากลัวมากค่ะเรียกได้ว่าหลอนทั้งวัดวิ่งมาหอนหน้าวัดกันเลย ทีนี้พอศพมาถึงวัดทุกคนก็เตรียมนำศพลงลงอ่าลงเย็นคือสภาพของพ่อที่เห็นเนี่ยคือขาเนี่ยเกือบขาดใบหน้าใต้คางได้ขาดออกจากการเนื่องจากว่าพวงมาลัยเนี่ยมันถูกบีบอัดเข้ามาที่ร่า ง, งคนขับนะคะพอศพมาถึงก็ทำพิธีสวดอภิธรรมจนเวลาผ่านไปสองคืนค่ะพอคืนที่สามทีนี้เกิดเรื่องเลย คุณพ่อมาอาศัยร่างของพี่ถาหรือเรียกได้นะฮะว่ามาสิงร่างนั่นแหละมาบอกคนในงานบอกว่าให้ไปเชิญวิญญาณใหม่นะเพราะว่ามาได้แค่ครึ่งทางบอกแค่นี้ก็ออกไปญาตพี่น้องก็เลยมาคุยกันถามคนที่ไปรับศพพ่อบอกว่าได้นิมนพระไปเชิญไหมเขาก็บอกว่านิมนแต่ว่าตอนที่โยนเหรียญที่เรียกว่าซื้อทางเนี่ยไม่ได้โยนตลอดทางเพราะว่าเหรียญหมด แล้วก็มีการเผลอหลับไปบ้างนะคะสำหรับคนที่นั่งอยู่ท้ายรถทีนี้ก็มีลุงอาสาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการขึ้นไปเชิญวิญญาณใหม่หลังจากนี้คือเหตุการณ์ที่ลุงนะคะเล่าให้ฟังคือลุงเนี่ยแกไปนิมนต์พระอาจารย์ที่นับถือมาช่วยเชิญวิญญาณพ่อท่านเป็นพระปฏิบัติอยู่แถวโคราชค่ะก็นิมนต์ไปด้วยกัน เมื่อถึงที่เกิดเหตุท่านก็เชิญวิญญาณลงหม้อเป็นหม้อแบบเดียวกันที่เราเห็นในหนังแม่นาคพระขนมนี่แหละนะคะท่านให้เหตุผลว่าที่ต้องลงหม้อเพราะว่าไม่มีร่างให้อาศายัยพอเชิญขึ้นรถเสร็จเท่านั้นแหละพิถาบอกรถดับท้ายรถนี่ยุบลงไปคือเหมือนมันมีอะไรหนักๆมาทวงทีนี้ลุงก็กลัวพระท่านเองก็บอกว่าโยมกลับบ้านไปหาลูกหาเมียที่บ้านเกิดเถอนะกลับบ้านนะโยมนะ รถติดขึ้นมาเองเฉยเลยค่ะจากหนักๆคือเบามากและระหว่างทางนี่มีเสียงร้องไห้สะอื้นตลอดทางเช่นกันเมื่อลุงขับรถมาจนจะถึงที่วัดลุงก็โทรมาบอกบอกว่าให้เตรียมถาดแล้วก็ดอกไม้เพื่อรับวิญญาณพ่อคุณผู้ฟังคะพี่ถาบอกว่าคือเหมือนในหนังเลยเมื่อเอาหม้อลงในถาดหม้อมันสั่นค่ะมีเสียงค้อแคกๆเลยลมนี่มันมายังกับพายุลุงก็บอกว่าเออถึงบ้านแล้วมึงออกมาได้ จากนั้นก็ทุบหม้อเสียงดังวีดวิวขึ้นมาเลยและลุงเนี่ยก็ให้พี่ถาเนี่ยเอาไปทิ้งแม่น้าก็ทาตามคือเอาไปทิ้งแม่น้ำเพราะว่าสาราสวดศพมันอยู่ติดกับแม่น้ำพอดีแต่พี่ถาไปทิ้งคนเดียวค่ะเนื่องจากว่าทุกคนเริ่มยุ่งเนื่องจากแขกนี่ก็เริ่มมากันแล้วพอตอนที่เอาไปเททิ้งเท่านั้นมันมีความรู้สึกว่ามีลมเย็นวูบมาโดนตัวเย็นเยือกไปจนขาเนี่ยแทบจะก้าวออกไม่ได้ ก็เลยพยายามตัวเองให้มาถึงศาลาพอมาถึงนะคะก็สักพักหนึ่งไม่รู้สึกโอเคเลยคือเหมือนกับเหมือนจะไม่สบายอะ่ะมันเป็นไปอย่างที่คิดเลยคือพ่อเนี่ยเขาเข้ามาค่ะเข้ามาบอกว่าได้กลับบ้านแล้วพ่อมาได้แค่นี้แล้วตอนนี้พ่อก็ร้องไห้หนักมากเจ็บปวดไปหมดทรมานมากกว่าจะเสียหิวน้ำหิวข้าวอยากกลับก็ไม่ได้กลับเจ้าที่เจ้าทางเขาไม่ให้กลับติดอยู่ตรงนั้น แต่ตอนนี้ดีใจจริงๆฝากบอกลูกสาวด้วยว่ารักมากฝากอโหสิหนุ่นนี่นั่นมาบอกว่าพินายกรรมต่างๆอยู่ตรงไหนเอกสารต่างๆอยู่ตรงไหนเก็บไว้ตรงไหนคือมาบอกหมดนะคะหลังจากนั้นก็ถอยออกไปและนี่คือเหตุการณ์ของคืนที่สี่ค่ะที่เป็นการสวดอภิธรรมแต่เป็นวันที่หที่พ่อเสียชีวิตพอวันสุดท้ายพี่ถาบอกว่า จะสวดอภิธรรมพ่อเป็นคืนสุดท้ายก็เหมือนปกติทั่วไปพระก็สวดเสร็จแขกก็เริ่มกลับแต่ยังไม่ทันไรค่ะทีนี้ก็มาเข้าอีกแล้วมาบอกว่าไม่อยากไปอยากเอาพิธานี่ไปด้วยค่ะญาติก็บอกเฮ้ย <c oughs> เอาไปได้ยังไงมาเข้านานมากเลยมาเกือบสองชั่วโมงเลยนะทุกคนก็คุยให้พ่อนี่ถอยออกไปซะคืออาการของลูกสาวเนี่ยมันแย่แล้วคือมันเข้านานเกินแล้วเดี๋ยวจะตายไปด้วยกัน แม่ก็เลยมาบอกว่าอย่าทำแบบนี้กับลูกออกไปซะพ่อก็เลยยอมออกทีนี้พี่ถาซึ่งเป็นลูกสาวเนี่ยนะคะลูกไม่ขึ้นถึงกับต้องทำการประถมพยาบาลกันยกใหญ่แขกที่เหลือนี่มามุงดูกันเยอะมาก ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุพ่อมาเข้าเนี่ยคือพี่ถาจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็มีความรู้สึกเคลียเวลาเข้าออกไปก็นอนพักอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามันปวดฉี่อยากเข้าห้องน้ําก็เลยให้แฟนกับชาวบ้านนี่ช่วยพยุงไปที่ห้องน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวในงานหรือว่าคนในงานนี่ก็ต้องระดมไปทําบุญกันให้พ่อกันยกใหญ่คือพอลุกจากตรงนั้นได้เนี่ยเพื่อจะไปเข้าห้องน้ํา บรรดาหมาในวัดคือวิ่งมารุมแล้วก็มาหอนกันยกใหญ่มาหอนแบบหวยหวนจับใจเลยแฟนก็เลยบอกเหมือนเห็นพ่อมาพักามาผักแขนให้ออกไปอารมณ์แบบเดียวเดี๋ยวกูดูลูกของกูเองอะไรประมาณนี้แหละคือพอไปถึงห้องน้ำพอเดินออกมาหมามันก็เดินตามมาหอนจนถึงหน้าประตูแม่ครัวที่อาบน้ำอยู่ก็ออกมาพอดีค่ะแม่ครัวสองคนนี่กรีดพร้อมกันเลยนะ พร้อมกับพูดเสียงดังเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกพ่อมึงมาพ่อมึงมามึงเห็นพ่อมึงไหมคือแม่ครัวเห็นพ่ออยู่หน้าห้องน้ําที่คุณถาเข้าหมาเจ้ากรรมนี่ก็หอนไม่หยุดห้อนอยู่นั่นแหละแฟนก็กลัวค่ะก็เรียกตลอดบอกว่าให้ให้พี่ถานี่ได้สติกลัวพ่อจะกลับเข้ามาสิงอยู่ในร่างอีกรอบหนึ่งทีนี้พอพี่ถาออกมาจากห้องน้ําค่ะคุณผู้ฟังพี่ถาจะบอกว่าเชื่อไมหมฮะว่าทุกคนรู้จักกันไม่รู้จักกัน ถูกกันไม่ถูกกันมายืนเกาะกลุ่มกันทุกสายตามองมาที่พี่ถาคนเดียวพี่ทานี่แบบว่านึกขำในใจนะคะแฟนก็เลยกระซิบบอกว่านี่้าไม่ใช่แฟนหนีหายเข้ากลีบเมฆไปตั้งแต่มาหอนครั้งแรกแล้วล่ะพอวันเผาศพค่ะ ก็ไม่ค่อยยุ่งมากเท่าไหร่ก็เลยนอนพักแล้วก็วันนั้นเนี่ยญาติของพ่อไปทำบุญให้พ่อกันยกใหญ่แต่ว่าพี่ถาไม่ได้ไปเพราะว่าเตรียมความพร้อมในงานอยู่แต่ก็มีแอบงีบเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่นอนนี่แหละนะคะฝันค่ะฝันว่าพ่อมาชวนไปไปอยู่กับพ่อก็รถคันที่เขาขับไปเสียชีวิตนั่นแหละไปฝันว่าไปวัดไปเห็นญาติเขาทาบุญคนนั้นถวายคนนี้ถวายแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้ คุณถาเองค่ะก็เลยมองไปรอบๆก็เห็นว่ามีแต่คนมายืนเหมือนมารออะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยถามพ่อว่าพามาทำไมพ่อก็บอกว่ามาดูจะได้ใช้ชีวิตด้วยความดีประจวบกับพอดีค่ะป้ามาปลุกบอกว่านอนนานและแบบนิ่งมากนอนแบบคนไม่หายใจจนตกใจคือเหมือนคนเสียชีวิตน่ะป้าก็เลยตกใจมาปลุกก็เลยบอกว่าป้าหนูฝันว่าหนูไปกับพ่อมาพ่อพาไปดูอะไรมาด้วย ก็เลยเล่าความฝันให้ฟังเห็นลุงกับป้าทำบุญยังไงใครถวายอะไรแต่งตัวยังไงคือบอกทุกอย่างตรงหมดเลยนะคะหลังจากที่เล่าให้ป้ากับลุงฟังเสร็จแล้วเนี่ยคุณถาเองก็สงสัยตัวเองว่าคงจะคิดเรื่องพ่อมากเกินไป mm. ก็เลยเก็บไปฝันอะไรประมาณนี้แหละนะคะทีนี้ตัดมาช่วงงานเผาศพคุณพ่อค่ะก่อนเผาศพเนี่ยอยากจะพิสูจน์ว่าวิ ญ, ญญาณมีจริงไหมก็เลยเอาแป้งไปโรยที่บ้าน ก็ไม่รู้ว่าประเพณีที่อื่นเนี่ยคือเป็นยังไงเนี่ยะแต่ว่าประเพณีที่บ้านของคุณถาเองเนี่ยมันจะมีประเพณีคือเอาแป้งไปโรยนะคะโรยก่อนเผานี่คืออยากจะรู้ว่าคนที่เขาเป็นคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขากลับมาบ้านหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาบอกว่าเลยนะคือโรยแป้งหน้ารูปแล้วก็โซฟาที่แกชอบนอนหน้าประตู พี่ถาบอกว่าสาบานได้ห็ว่าบ้านปิดดีไม่มีใครเข้ามาได้แล้วก็ไปทําอะไรต่อมีอะไรที่วัดขณะที่ทําการเวียนศพรอบเมนนี่ฝนตกค่ะแล้วก็ตกมาแค่บริเวณวัดเท่านั้นหลังจากนั้นก็เอาขึ้นเผาแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็มีการเก็บกระดูกนั่นนี่ปกติ คืนนั้นทุกอย่างปกติไม่มีอะไรค่ะเช้ามาก็ทำบุญกระดูกเก็บกระดูกส่วนหนึ่งใส่กรดใส่กรไว้บูชาอีกส่วนหนึ่งก็รอยอังคารก็ผ่านไปแล้วค่ะทีนี้ก็เอากระดูกกลับมาบ้านก็มาดูรอยแป้งเนี่ยคือมันจะมีรอยเท้าไหมพอเปิดไปเท่านั้นล่ะไปเจอรอยเท้าของแกก็เลยจำได้คือเหมือนยืนอยู่ที่หน้ารูปอะค่ะแล้วก็ร อ, อแล้วก็นอนรอยนอนอยู่บ น, บนโซฟาคือหลังจากนั้นความหลอนมันไม่จบนะ คือน้องที่เซเว้นเนี่ยแกไม่รู้ว่าพ่อเสียมาชวนคุยว่าเฮ้ยพ่อวันศุกร์เนี่ยพ่อมาซื้อข้าวซื้อขนมเต็มเลยตัวงคุณถาเองก็ตกใจหน้าซีดและหาพร้อมกับบอกน้องที่ทำงานที่เซเว้นไปเนี่ยบอกว่าเป็นไปได้ยังไงพ่อพี่เสียไปหลายวันแล้วนะน้องอึ้งไปเลยค่ะ จำได้ไมหมฮะว่าพ่อเสียไปเมื่อวันพฤหัสนี่คือเหตุการณ์แรกที่คนอื่นเจอส่วนเรื่องคดีของพ่อยังไม่จบเพราะว่าพ่อเนี่ยได้ประกันไว้ก็เลยต้องยุ่งยุ่งหน่อยหนึ่งคือได้ทําประกันไว้ส่วนประกันชีวิตนี่ก็เลยอยากได้เอกสารตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับก ร, ระบวนการกรบวนการเรื่องของประกันก็เลยต้องไปขึ้นขึ้นไปที่เยโสธรก่อนก่อนออกเดินทางก็ยกมือไหว้บอกพ่อบอกว่าจะเดินทางไปที่เยโสนะหนูไม่เคยไปพ่อนําทางนะพ่อก็บอก กลิ่นแป้งกลิ่นยญ้าฉีดศพนี่หูดลอยฟุ้งเต็มรถเลยแล้วก็เดินทางตามเส้นทางที่พ่อไปจริงๆซะด้วยคือไปเยโสทอนผ่านโคราชเข้าปฐายเกือบถึงเยโซแล้วแต่ไม่รู้ค่ะว่าจะต้องอไปทางไหนทีนี้ก็เข้าไปอำเภอพลผ่านขอนแก่นไปอะไรนูน่นระหว่างทางหิวข้าวก็เลยจอดรถกับแฟนกินข้าวทางร้านจัดช้อนชามให้สามชุดนะก็มีของแฟนของพี่า สคนก็มองหน้ากันเอ๊ะมา2คนทําไมให้มา3ทางร้านบอกว่าจัดเผื่อลุงคนนั้นด้วยมากันกับพี่นี่พี่ถาบอกว่ารูปร่างเป็นยังไงคะคนในร้านก็บอกรูปประพันธ์สันถานได้ตรงนะคะทีนี้พอถึงเวลาเก็บตังกน้องคนที่มารับแขกที่จัดช้อนชามให้เนี่ยคือไม่มาเก็บตังเลยนะต้องเป็นคนอื่นไปเก็บตังแทนน่ยนะคะหายเข้าไปในร้านเลยค่ะ พอไปถึงตัวเมืองเยโสธรก็หาโรงแรมพักพอไปถึงเขาก็ต้อนรับก็ถามว่ามาจากไหนก็บอกมาจากสุพรรณก็บอกไปว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเนี่ยคือมันมีคนจากสุพรรณบุรีมาพักแต่ออกจากโรงแรมไปแกก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทางโรงแรมเมื่อได้ยินที่เล่าให้ฟังไปแบบนั้นก็ตกใจล้วค่ะก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะลูกสาวกับลูกเขยแกเองทางโรงแรมก็เลยให้นอนที่ห้องของพ่อที่ที่พ่อพักเนี่ยแบบไม่คิดตัง แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นความโชคดีหรือว่าความบังเอิญก็หาได้รู้ไม่นะคะเพราะว่าเพราะว่าพอตื่นตอนเช้ามาค่ะก็ไปที่สถานีตำรวจก็ไปทำเรื่องเอกสารไปเจอกับตำรวจเจ้าของคดีท่านก็บอกว่าผมขอละให้รีบทำเรื่องประกันให้เสร็จไวๆทีเพราะว่าตำรวจไม่กล้านอนแฟ้แล้วมันก็มีเสียงมีตัวตนคือของพ่อเนี่ยคือไปซ่อมรถ ไปอะไรอย่างนี้คืออยู่ที่แฟดทั้งคืนเลยอยู่ในที่เก็บรถจนตำรวจเนี่ยไม่กล้าหลับกล้านอนกันเลยนะคะและตำรวจคนนั้นก็ให้ลูกน้องพาไปทำบุญไปวัดพอไปถึงคนที่วัดก็ถามว่ามาทำอะไรมาจากไหนก็เลยบอกไปเรื่องราวของพ่อที่เสียชีวิตที่นี่เขาก็บอกว่าอ๋อพี่เป็นคนไปเก็บศพนี่แหละพ่อน้องเขาน่าสงสารมากนะ พร้อมกับเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะได้เล่าเรื่องว่าจุดที่คุณพ่อได้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือเรียกว่าจุดนี้เนี่ยเสียชีวิตกันแทบจะอาทิตย์ละคนกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวก็มีประมาณนี้ค่ะยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณถาด้วยนะคะที่ส่งเรื่องมาให้เราได้ฟังกันหน้าปกนะคะของเรื่องนี้ บีนําภาพประกอบเป็นภาพรถที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมกับรอยเท้าที่คุณถาส่งเข้ามาทางอินบ็อกนะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ดูกันไปด้วยแล้วก็พิจารณาอย่างไรนั้นก็ให้ใช้ดุล น, น, นิพนธ์ของแต่ละคนในการรับฟังนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาของบีหมดลงแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีให้เราด้วยนะคะติดตามรับฟังคลิปต่อไปได้ใหม่ในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ